สิกขาบทที่5ภิกษุณีผู้ให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ซื้อต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ส, สั่งให้ซื้อแล้วต้องนิสักคยาปาจิตตี